ทบทนความสุขที่คนสามารถพัฒนาไปถึงได้เท่าที่ได้กล่าวมาในเรื่องความสุขเห็นควรสรุปให้เห็นขั้นตอนและประเภทชัดเจนขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะได้ดังนี้เวท้ายิตสุขสุขที่เป็นเบื้อาหรือสุขที่มีการสวยอารมณ์หนึ่งกา ม, มสุข สุกเนื่องด้วยกามสุขเกิดจากการมมคุณหรือสุขจากสิ่งเสพทางภาษาทั้งห้าสองฌานนสุขสุขเนื่องด้วยฌานหรือสุขที่เป็นวิบากแห่งฌานแบ่งเป็นสุขเนื่องด้วยรูปฌานสี่ขั้นและสุขเนื่องด้วยอรูปฌานสี่ขั้น เอเวธาอิตสุขสุขที่ไม่เป็นเวทนาหรือสุขที่ไม่มีการสวยอารมณ์นับเป็นข้อที่สามนิโรธาสมาบัตสุสุขเนื่องด้วยนิโรธาสมาบัตรหรือนิโรสมาบัตคือการเข้าสัญญาเวธาอิตะนิโรธที่ว่ามานันนี้จัดตามหลักความสุขสิบขั้นที่กล่าวมาแล้วข้างตน้นแต่ในที่นี้ จะขอจัดหมายอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็คล้ายกันมากแต่ให้ความรู้สึกยืดหยุ่นหรือกว้างออกไปสักหน่อยโดยแบ่งเป็นสามดังนี้ 1. กามสุขสุขเนื่องด้วยกาม 2. องฌา น, นสุขสุขเนื่องด้วยฌาน 3. นิพพา น, นสุขสุขเนื่องด้วยนิพพานที่จัดอย่างนี้ ถือตามแนวพุทธพจน์ในขุตกาลนิกายอุทานที่ตรัสถึงความสุขสามอย่างคือการมาสุขทิพยสุขและตันหักขยสุขคำว่ากามาสุขชัดอยู่แล้วส่วนทิพยสุขบาลีเป็นทิวิสุขอัตถกถาอธิบายว่ามาถึงชาณสุขนั่นเองเฉพาะชั้นโลกิยชาณสุขที่ท่านว่าทิพสุขเป็นชาณสุ เพราะถือว่าฌานเป็นทิพยาวิหารตามหลักในทิคานิกายปาติกวักซึ่งอธกถาว่าได้แก่สมาบัตแ8ดส่วนทิพยสุขที่หมายถึงสุขของเทวดาก็รวมอยู่ในการมาสุขแล้วข้อสุดท้ายตันหักขยัสุขแปลว่าสุขเนื่องด้วยภาวะไรตันหาคือความสิ้นไปแห่งตันหา ก็คือสุขเนื่องด้วยนิพพานหรือนิพพานสุขนั่นเองเพราะตันหักไขเป็นไวยพ์คําหนึ่งของนิพพานแต่อัตถกถาที่อ้างข้างต้นไขความว่าตันหักขยะสุขหมายถึงพระสมมาบัติสุขหรือผลสมาบัติสุขซึ่งเป็นสุขที่พระอริยบุคคลทุกท่านตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปสเสวอได้โดยทํานิพพานเป็นอารมณ์ในที่นี้ ใช้คำว่านิพพานสุขให้มีความหมายหลวมๆกลุล่มถึงผลสมาบัตสุขที่กล่าวนี้ด้วยสุขเนื่องด้วยนิโรธสมาบัตที่เป็นภาวะเทียบคล้านิพพานด้วยกลุ่มถึงวิมุตติสุขที่ท่านกล่าวถึงบ่อยๆด้วยวิมุตติสุขคือผลสมาบัตขั้นสุดท้ายซึ่งเป็นของพระอระหรันต การจัดเป็นสามอย่างนี้ไม่ห่างจากแบบที่ประมวลจากสุขสิบขั้นข้างต้นเลยอัธกถาที่แบ่งประเภทสุขละเอียดที่สุดคือคำพีมโนรัฐาปุรณีอัธกถาแห่งอังกุตระนิกายซึ่งแบ่งสุขเป็นเจดขั้นคือมนุสยสุขทิพยสุขชาณสุขวิปัสนาสุขมัคคสุขภลสุขหรือผลลสุขนิพพานสุข สุขเจ็อย่างนี้อาจจัดรวมได้เป็นสีประเภทคือหนึ่งกามสุขรวมถึงมนุษยสุขและทิพยสุขเฉพาะในความหมายว่าสุขของเทวดาหรือสุขในสวรรค์ 2. ฌานสุขได้แก่โลกิญาฌานสุขหรือโลกิญาสมาบัตสุขบางแห่งเรียกเป็นทิพยสุข ในแง่เป็นทิพยาวิหาร 3. วิปัสนาสุขสุขเนื่องด้วยวิปัสนาที่ชัดคือที่เป็นวิปัสนูปากิเลสอย่างหนึ่ง 4. โลกุตราสุขได้แก่มัคคสุขผ ล, ลสุขและนิพพานสุข และในคำว่าพลาสุขหรือผละสุขให้รวมถึงพละสสมาบาสุขหรือผลสมาบาสุขซึ่งคลุมเอาวิมุตติสุขเข้าด้วยกล่าวโดยสัมพันธ์กับบุคคลผู้เสพสวยความสุขเหล่านี้จะเป็นดังนี้หนึ่งกามาสุขผู้เสพ ได้แก่มนุษย์ปุถุชนและอริยะบุคคลชั้นโซดาบันและสกะทาคามีรวมทั้งเทวดาชั้นกามาพจรสวรรค์ทั้งห 2. สอฌา น, นสุขผู้เข้าถึงได้แก่มนุษย์ปุถุชนและอริยะบุคคลทุกชั้นตั้งแต่พระโซดาบันถึงพระอรหันเฉพาะท่านที่เจริญฌานชั้นนั้นๆได้แล้วรวมทั้งพรมทั้งหมด คือรูปประพมสิและอารูปประพมสีสนิพพานสุขผู้เข้าถึงได้แก่พระอริยบุคคลทั้งหลายตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์แต่ต้องแยกแยกออกไปอีกถ้าเป็นผลสมาบัตสุขก็ได้สำหรับผู้บรรลุผลขั้นนั้นๆถ้าเป็นนิโรสมาบัตสุข ก็ได้เฉพาะพระอนาคามีและพระอาหารหันต์ที่ได้สมาบัติ8ดแล้วถ้าจัดโดยถือบุคคลเป็นหลักการสวยความสุขจะมีวิสัยดังนี้ 1. มนุษย์ปุถุชนอาเสบกามสุขและเสวยชานสุข 2. อ, อริยบุคคลชั้นโสดาบันและสกัทาคามีอาสวยกามสุขชาณสุขและนิพพานสุขประเภทผลสมาบัต ส, สุข 3. อริยบุคคลชั้นอนาคามีและพระอรหันต์อาสวยชาณสุขและนิพพานสุขทั้งประเภทผลสมาบัต ส, สุขและนิโรสมาบัต ส, สุข ถ้าได้สมาบัติ8ปดแล้วสิ่งสำคัญที่พึงย้ำไว้เป็นพิเศษในเรื่องความสุขนี้มีอยู่ว่าพระพุทธศาสนาไม่สอนให้บุคคลทาการต่างๆเพื่อเห็นแก่ความสุขก็จริงแต่ก็ยอมรับความจริงอยู่เสมอว่าความสุขเป็นส่วนสาราสำคัญที่จำเป็นของจริยธรรมเป็นสิ่งที่ให้ความหมายแก่การประพฤติธรรม จะว่าเป็นหลักยึดหรือฐานค้ำชูของการประพฤติ ธ, ธรรมก็ว่าได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะพูดในระดับที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมก็ตามหรือในระดับจ ร, ริยธรรมทั่วไปก็ตามความสุขที่พระพุทธศาสนาพูดถึงนี้หมายเอาความสุขที่เป็นพื้นฐานอยู่ภายในจิตใจซึ่งจิตใจสามารถสัมผัสได้เองทันทีทุกเวลาที่มันพร้อมไม่ต้องอิงอาศัยกระบวนการรับรู้ ที่ขึ้นต่ออารมณ์ของโลกภายนอกเป็นความสุขที่ทำให้ชีวิตนี้มีความเป็นอิสระในส่วนของมันได้ความสำคัญและจำเป็นของความสุขสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมจะเห็นได้ดังที่กล่าวไว้แล้วตั้งแต่ตน้นและควรจะนำเอาสาระมากล่าวย้าไว้อีกว่าผู้ปฏิบัติธรรมใดถ้ายังไม่ประสบความสุขประณีตลึกซึ้งภายในที่ไม่อาศัยกาม ก็ยังวางใจไม่ได้ว่าจะไม่เวียนกลับมาหากรามอีกแม้ท่านที่บวชเป็นบรรพชิตแล้วถ้าตราบใดยังไม่ได้สัมผัสความสุขพระนิชลึกซึ้งภายในชนิดที่ไม่ต้องอาศัยอามิตรก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ตราบนั้นอิเลสจะสามารถเข้าครอบงาใจอาจให้ครองพระมจาจรรย์อยู่ไม่ได้ท่านชักชวนแม้แต่ปุุชนให้พยายามสร้างสมความสุขชนิดนี้ไว้ หรือให้รู้จักความสุขอย่างนี้ไว้บ้างเพราะนอกจากจะทำให้เขามีความสุขเพิ่มมากขึ้นจากการมาสุขที่ตนมีอยู่แต่เดิมเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตของตนแล้วยังทำให้ชีวิตมีทางออกในทางความสุขที่จะไม่ต้องถูกปีบบังคับด้วยตัณหาให้วิ่งพลานร่านรนยังไม่มีขอบเขตจนก่อแต่ปัญหาต่างๆให้เพิ่มมากขึ้นทั้งแก่ตนเองและแก่โลก อาจพูดย้ำลงไปได้ทีเดียวว่าถ้ามนุษย์ไม่ยอมหันมาทำความรู้จักกับความสุขฝ่านิรามิตรไว้และไม่เอาใจใส่ความสุขด้านนี้กันบ้างแล้วการโลดลั่นทยานหาแต่การมาสุขอย่างเดียวจะนำมนุษย์ไปสู่ความมีชีวิตที่ผิวเผินประกอบด้วยความคับแค้นระวนกระวายเบื่อหน่ายระทมทุกข์ภายในใจิตใจและการแข่งขันแย่งชิงเอารัดเอาเปรียบการเบียดเบียน ตลอดจนการทําลายล้างระหว่างกันจนในที่สุดมนุษย์จะพาตนเองและโลกไปสู่ความพินาศในเมื่อแม้แต่ปุถุชนผู้อยู่ท่ามกลางการสแสวงหาการมสุขความสุขด้านในยังจําเป็นถึงอย่างนี้แล้วผู้ดําเนินชีวิตชนิดที่ปลีกออกหรือลดหรือเสียสละการมสุขก็ยิ่งจําเป็นต้องเข้าถึงความสุขประเภทนี้มากขึ้นเป็นทวีคูณ ไม่ต้องพูดถึงผู้ที่ออกบวชหรือท่านที่เรียกกันว่ามุ่งปฏิบัติธรรมชั้นสูงแม้แต่ผู้ที่บำเพ็ญตนเป็นนักเสศหละกดำเนินชีวิตเพื่ออุดมคติก็จะต้องพยายามมีความสุขชั้นในนี้ให้ได้บ้างมิฉนั้นความเสียสละหรือความมีอุดมคตินั้นก็จะขาดหลักประกันที่มั่นคงมีหวังที่จะพลาดหล่นจากอุดมคติหมุนกลับลงมาหาระบบที่เป็นบาปร้ายได้อีก พูดง่ายๆว่าถ้าจะเสียสละก็ต้องมีความสุขในการอยู่อย่างเสียสละด้วยถ้าจะมีอุดมคติก็ต้องมีความสุขในความมีชีวิตตามอุดมคติด้วยในวงกว้างออกไปก็ควรพูดว่าถ้าทำให้คนรู้จักความสุขด้านในไม่ได้ทำให้เห็นคุณค่าของความสุขด้านในนั้นไม่สำเร็จการทยานหาการ ม, มาสุข ก็จะครอบงำมนุษย์เป็นตัวกำหนดชะตากรรมของโลกโดยสิ้นเชิงอยู่ต่อไปไม่ว่าศาสนาปรชาัชญาหรือนักจริยธรรมจะระดมกำลังกันสั่งสอนมนุษย์ว่าอย่างใด